พุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่8ข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจของการบรรลุนิพพานว่าเดือเรื่องสมถะวิปัสนาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ครอบครัวอารีหนูสุนันทาทองกูลไพลินดอกไม้รักยานาวาปัญญาธรรมอุไรพรโสพลอุดมพรปัญทัตโตัญญ รัชนีวิเศษสาธรชูเจริญวงศ์นัทพร อ, อัฐวุฒิสินสลินวสินพัทราพัชราพรีรันพิวงศ์นิชามาโสภาครอบครัวชยรัตครอบครัวงามสุริยพงษ์อังคณามลทาทิบกุลและขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับสภท า, านังธรรมะทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง